คือการรู้แจ้งสัจธรรมกำจัดกิเลสถึงภาวะดับปัญหาไรถุกและก็ได้กล่าวแล้วเช่นเดียวกันว่าองค์มรรคทั้งแปดประการทำงานประสานสอดคล้องส่งเสริมกันโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า น, านำทางไปจึงเป็นอันได้ความในตอนนี้ว่าองค์มรรคอื่นทั้งเจ็ดข้อเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้กาลังแก่สมาธิ ช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นได้ดำรงอยู่ได้ดีเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องซึ่งจะใช้งานได้ผลตาม ต, ามต้องการส่งผลคืบหน้าต่อไปอีกจนถึงจุดหมายโดยช่วยให้เกิดองค์ธรรมเพิ่มขึ้นอีกสองอย่างในขั้นสุดท้ายเรียกว่าสัมมาญาณอย่างรู้ชอบและสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบเมื่อมองในแง่นี้ ท่านเรียกองค์มรรคอื่นทั้ง7ข้อว่าเป็นสมาธิบริการแปลว่าบริการของสมาธิหมายความว่าเป็นเครื่องประกอบเครื่องแวดล้อมเครื่องหนุนเสริมหรือเครื่องปรุงของสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยบริการนี้แล้วเรียกว่าเป็นอริยสัมมาสมาธินำไปสู่จุดหมายได้ดังบาลีในชนะวสภสูตร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 สัมมาวาจาจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอแก่การ เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณจึงพอแก่การเมื่อมีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติจึงพอแก่การอันหนึ่งคำว่าพอแก่การแปลจากปะโหติจะแปลว่าจึงพอเหมาะได้ก็ได้มักมีองแปดหรืออัดถังที่กรรมนี้เมื่อจเจริญพร่งพร้อมถึงที่ก็จะถึงขีดและถึงขณะหนึ่ง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 คือความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมและความหลุดพน้นจากกิเลสไร้สิ่งบีบคั้นเป็นอิสระเรียกสั้นๆว่าผลถ้าทุกอย่างค่อยดำเนินไปตามลำดับจะมีการทำหน้าที่ของมัคเช่นนี้ที่แรงหรือเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นจนเสร็จสิ้นรวมทั้งหมดสี่คราวหรือสี่ขั้นจึงเรียกว่ามัคสี่และภาวะที่เป็นผลก็จึงมีสี่เช่นเดียวกัน รวมเรียกว่ามัคสีผลสหรืออริยมัคสีอริยผลสคือโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกทาคามิมัคสกทาคามิผลอนาคามิมัคอนาคามิผลอรหัตตมัคและอรหัตผลจะเห็นว่ามัคนี้ว่าโดยองค์ประกอบมี8จึงเรียกว่าอัดถังกิกรรมัคแปลว่า มักมีองค์8แต่ว่าโดยปฏิบัติการหรือการทากิจมีสี่ลำดับขั้นเรียกกันว่าจตุมักแปลว่ามักสี่คู่กับจตุผลคือผลสี่อาการที่องทำทั้งหลายทำหน้าที่พร้อมกันในขณะจิตเดียวยังผลที่ต้องการให้สำเร็จนี้ท่านเรียกว่าธรรมสามคัครีน่าสังเกตว่า มักมีการเอาคำว่าธรรมสามัครีไปสับสนกับคำว่ามักระสมังคีซึ่งมักระสมังคีหมายถึงบุคคลผู้ประกอบพรั่งพร้อมเรื่อมักระขั้นใดขั้นหนึ่งในอริยมรรคสีขั้นแต่ท ร, รมสามัครีหมายถึงอาการที่องค์ทำทั้งหลายทำหน้าที่พร้อมกันในขณะจิตเดียวยังผลที่ต้องการให้สําเร็จและธรรมสามัครีก็คือโพธิ อันได้แก่ความตัดสรูในขณะแห่งมรตินี้ไม่ใช่เฉพาะองค์มรตเพียงแปเท่านั้นแม้โพธิปักกีย์ธรรมทั้ง37ประการก็เกิดขึ้นทําหน้าที่พร้อมหมดในขณะจิตเดียวกันอย่างไรก็ตามโพธิปักคีย์ธรรมทั้งหมดนั้นก็สรุปลงได้ในองค์มรตทั้ง8ดนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงมรต ก, ก็จึงเป็นอันครอบคลุมถึงธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด